วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มกราคม2539ทำมาบรรยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกท่านสาธุชนผู้ใกล้ท่านที่เคารพการบรรยายครั้งที่2ของเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในวันนี้ได้เตรียมเอกสารมาให้2ชุด ความจริงควรจะได้รับสามชุดนะครับแต่เนื่องจว่าอีกชุดหนึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเอกสารที่แจกให้ในสองชุดหรือสามชุดชุดสามในคราวหน้าแจกให้นั้นจะเป็นส่วนที่ได้เก็บเอาชื่ อ, อคือจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะแสดงชื่อหรือทำให้รู้จักชื่อของพระอาริยะ ที่มีชื่อเสียงปรากฏอย่างเป็นทางการทางการหมายถึงว่าได้ถูกรวบรวมขึ้นแสดงให้ปรากฏไวในพระไตรปิฎกสามที่ที่หนึ่งก็คือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบในเอกานิบาตอังคุตรนิกายในส่วนที่เรียกว่าเอตทัคาบาลีเอตทัคาบารีนะ่ะเป็นส่วนแห่งพระไตรปิฎกที่พระผู้มีพระภาคได้ทรง แสดงประกาศความเป็นเอตทัคคะของพระอาริยสาวกซึ่งมีตั้งแต่พระอรหันต์จนถึงพระโสดาบันเป็นต่าสุดพุทุชนไม่มีพุทธชนนั้นไม่ได้ถูกยกย่องไวในฐานะที่เป็นเอตทัคคะและเอตทัคคะนั้นก็มีทั้งภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทก็รวมแล้วเนี่ยนะครับ ภิกษุนั้นมีอยู่41รูปแต่ตำแหน่งตำแหน่งที่ยกย่องเนี่ยมี47ตัวบุคคลมี41ขอให้ดูเอกสารหน้าหนึ่งประกอบไปด้วยนะที่ปรากฏลายนามของพระอดิยสาวกที่เป็นพระภิกษุนะครับก็รวนแล้วแต่เป็นเป็นคือถึงตอนนี้นะต้องพูดเดียวว่าเป็นพระรานตทั้งนะั้น แต่ตอนประกาศเนี่ยบางองยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์บางองนั้นก็คือท่านพระอานอนท์นั่นเองยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่ถึงตอนที่เรากระหลังพูดถึงตอนที่เป็นพระเทปิฎกแล้วท่านพระอานอนท์ก็เป็นอาหารหันต์ไปด้วยแล้วมี41รูปโดยบุคคลโดยตําแหน่งที่ได้รับยกย่องพิเศษหรือที่ประกาศยกย่องมี47ตําแหน่งส่วนภิกสุนี ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคขะนั้นทั้งหมดมีสิบสามรูปใน1ิสามรูปนี้ก็รวนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์หมดเลยเป็นอรหันต์ทั้งสิน้นสำหรับอุบาสกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคขาสิบท่านเดียกันเป็นอาริยะสาวกทั้งนั้นก็มีตั้งแต่พระอรหันต์ก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นโสดาบัน ส่วนใหญ่เป็นโสดาบันเป็นพระอนาคามียบางกอมีและเป็นพระสกตาคามีบ้างกอมีสำหรับอุบาสิกาได้รับยกย่องเป็นเอตทักขะสิบท่านก็สิบท่านนี่ก็สิบตำแหน่งเพราะว่าท่านละหนึ่งตำแหน่งภิกษุฉะนั้นแล้วที่มีบางท่านเกินกว่าหนึ่งตำแหน่งคือมีสองตำแหน่งสองรูป กินสองตำแหน่งนะสองรูปแล้วก็กินห้าตำแหน่งหนึ่งรูปคือท่านพระนดสํำหรับอุบาสิกานั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นโสดาบันทุกคนเลยทีเดียวตั้งแต่นางสุชาดาไล่ลงมาจนกระทั่งถึงนางกาลีอุบาสิกาอันนี้ก็ได้รับยกย่องในส่วนต่างๆกัน ที่จะเอามาพูดให้ฟังในชั้นตอนนี้นะครับก็ต้องการเพียงแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้จักชื่อโดยอันหนึ่งแล้วก็จุดที่จะพูดก่อนเนี่ยจะอธิบายถึงลักษณะของความเป็นเอตทัคขาเนี่ยเป็นจุดใหญ่นะว่าเอตทัคขาเนี่ยท่านยกย่องมีประเภทมีจำพวกมีแง่มุมอย่างไรในส่วนหลักตรงนี้ส่วนประวัติบุคคลการบรรลุธรรมนั่นจะ พูดอีกทีหนึ่งและเทระคาถาเร า, เราดูอันนี้ก่อนในเอกสารชุดสองเทระคาถานั้นแปลว่าธรรมภาศิษฐ์ของพระอริยสาวกซึ่งมีภิกษุภาศิตฐ์จำนวนถึงสองร้อยหกสิบสี่ลูกอรหันทั้งหมดเลยครับเป็นอรหัน์ทั้งหมด และภิกษุณีที่เรียกว่าพระเถรีอีกเจ็ดสิบสองรูปจริงๆมีเจ็ดสิบสามนะแต่ว่าในหัวเรื่องมีเจ็ดสิบสองเจ็ดิบสามเรามีมีบางหัวเรื่องมีอยู่สองมีสองรูปนะฮะแต่ว่านับโดยคะถาเป็นเรื่องๆเท่าที่ปรากฏเป็นรูปสารบันมีเจ็สิบสองทั้งหมดนี้เป็นอรหันต์หมด อุบาสกไม่มีอุบาสิกาไม่มีไม่ได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคาถาไม่ไม่เอาบทอุทานธรรมหรือปาสิทธรรมขอท่านมาแสดงทีนี้อตรงนี้นะที่จะพูดก่อนซึ่งไม่ใช่คงไม่ใช่คราวนี้นะครับจะต้องเป็นคราวหน้าก็จะพูดถึงลักษณะของคาถาลักษณะหมายว่าไม่ใช่ลักษณะในเชิงการแต่งฉันแต่เป็นลักษณะทางเนื้อหาว่าบทอุทานหรือบทคาถาที่พระอรหันตเหล่านี้ท่านพูดเนี่ยท่านพูดถึงอะไร ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องตัวของท่านนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับธรรมะของท่านแล้ว บ, บางท่าน่ทานพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าไอโดยหลักที่บอกก่อนเนี่ยก็คือพูดถึงการบรรลุธรรมของตัวเองนี่เป็นจุดสําคัญจุดร่วมใหญ่ว่าอท่านองค์นั้นองค์นั้นบรรลุธรรมเพราะอะไรอย่างไรบางทีก็เกี่ยวไปถึงการบวช ด, ด้วยยรวมกันแต่จุดใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่การบรรลุธรรมนั้นก็จะสรุปให้ฟังว่า บทคาถาของท่านเนี่ยมันมีหลักใหญ่ๆที่เราควรจะทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยอะไรบ้างก็ก็เป็นเรื่องเยอะนะนั้นถ้าเล่าเป็นประวัติแต่ละคนแต่ละคนนี่เป็นปีก็ไม่จบครับเราจะต้องหาทางพูดให้ได้ครบถ้วนแล้วก็ฟังเป็นระบบเชิงวิชาการด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเล่านิทานอย่างเล่าประวัติพุทธสาวกจน ไม่ไม่น่าฟังสําหรับอย่างคนในกลุ่มเรานี่นะฮะเดีนี้ที่ที่ไม่ได้แจกให้เนี่ยซึ่งมันมีหลายหน้าเหลือเกินผมก็เกงใจคนที่เขาเย็บเรียงมาก็เลยเอาไว้ข้าวหน้ามาแจกให้ก็แล้วกันชื่อว่าเถชื่อว่าอัปทานอัปทานเนี่ยมันคล้ายๆอวตารอวตารในภาษาของฮินดูครับแต่อวตารของฮินดูเนี่ยเขาพูดถึงชีวิตความเป็นมาของชีวิตแต่อดีตที่ลงมาจากพระเจ้า สร้างมายังไงอวตารมายังไงแต่อาภท า, านของพระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งเป็นเถระประธานกับเถรีประธา น, นหมายถึงความเป็นมาในทางบรารมีไม่ใช่มาจากพระเจ้ามาจากการกระทาของตัวเองว่าที่ได้มาบรรลุทาอย่างนี้มาได้คุณวิเศษส่วนนั้นส่วนนี้อย่างนี้เพราะได้ทําอะไรไว้ในอดีตท่านเหล่านี้ท่านก็จะมาพูดเล่าถึงสาเหตุ ว่าไม่ได้มีใครสร้างม่ได้มีใครบันดาลแต่ว่าได้ทำมาด้วยตัวเองจึงได้มาบรรลุธรรมในในหนนี้ชาตินี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแกเราจะมีการที่แจงในเรื่องของกรรมเราได้รับความรู้เรื่องกรรมจากเรื่องเหล่านี้ด้วยอันหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของบา ร, รมีว่าได้ทำบา ร, รมีอย่างไรก็จะเป็นแบบอย่างแกเราที่จะจะเริญรอยตามท่านต่อไปปรากฏว่าใน อปทานสองส่วนคือเทระประธานเนี่ยมีจำนวนพระอรหันต์ทั้งหมดถึงยังไม่ได้แจกนี่พูดให้ฟังก่อนบางท่านเปิดดูวอยู่ที่ไหนไม่มีมีพระอรหันต์ถึงหกห้าร้อยหกสิบเอ็ดลูกและพิกษุณีที่เรียกว่าเทรีประธานก็มีอรหันต์หญิงอีกสี่สิบรูปที่ปรากฏเป็นอปทานอยู่ในนี้ ซึ่งเรานับอย่างเท่าคร่าวว่าจานวนอรหันต์เราเราคิดว่าเป็นอรหันต์หรือเป็นอริยะซึ่งเป็นอรหันต์ส่วนใหญ่โสดาบันเป็นส่วนน้อยสกีตาคานาการรมส่วนน้อยเนี่ยก็รวมแล้วก็เป็นพันรูปจํานวนเท่าที่ผมเอ่ยตัวเลขวันนี้นะแต่พันรูปเนี่ยควรจะมากไปหรือน้อยไปกับการกับผลิตผลของพระพุทธเจ้าที่สอน คนให้เป็นพระอริยาเราคิดว่าน้อยไปหรือมากไปพระพุทธเจ้าเกิดมาสร้างบา ร, รมีมาเสียสงไขแสนกับแสดงธรรมสี่สิบห้าปีมีคุณวิเศษภูมิยาขนาดนั้นแล้วสอนคนให้เป็นพระอาหารหันต์เพียงแค่พันรูปเนี่ยน้อยไปและแค่ไหนถึงจะพอใจแล้วละ่ะเราก็ไม่รู้แค่ไหนแต่ว่าน้อยไปก็แล้วกันแล้วจริงๆก็น้อย ที่มีแค่นี้นะหมายความว่าพุทธเจ้าสอนแค่นี้หรือสอนให้เป็นหลานแค่นี้หรือว่ามีมากกว่านี้มีมากกว่านี้มีมากกว่านี้แล้วไปไหนหมดตอบว่าตกไม่ได้อยู่ในสามโนกลัวนะฮะไม่ได้อยู่ในสามโนกลัวมีไม่ไม่มีชื่อก็เยอะแล้วก็มีชื่อแล้วก็ไม่มีประวัติก็เยอะ อันตรกถาไปเก็บเก็บเอาม า, อาไว้บ้างในอย่างในธรรมบทอะไรตัลายนี น, นะก็ก็ส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในชั้นวัฏฏิปิฎกแล้วที่หายไปมีแต่ตัวเลขอย่างเช่นชดินสามพี่น้องเนี่ยเอาแค่สามพี่น้องชดินคนที่อุลุเวลากสปะนี่มีลูกศิษ์เข้าไปเท่าไหร่แล้วสามพันแหละใช่ไหมมากกว่าจำนวนอรหันต์ที่เรากล่าวแล้วสาพันนี่ไม่ใช่สามพันปุถุชนนะสา0พันอรหันต แล้วยังชดินคนรองชดินคนเล็กอีกคนละสองพันคนละพันตามลำดับก็เฉพาะชะดินสามพี่น้องก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วหกพันแล้วอรหันหกพันแล้ ว, 6, ลวเพราะฉะนั้นอันนี้นะจริงๆเราก็เสียดายนะะเสียดายว่าเรื่องราวของท่านเหล่านี้เก็บไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้ได้หมดก็เราก็นึกสมมตินึกเอาว่าตอนนั้นเนี่ย ก็เนื่องจากวกับอรหันเฟื่ออรหันเฟือแล้วก็จะสนใจแต่จะพาะคนที่เก่งๆเด่นๆดังๆใช่ไหมฮะองค์ที่ไม่เก่งไม่เด่นไม่ดังมากนะคจริงอรหันก็ต้องเก่งตั้งนั้นแหละแต่ว่ามีคนเก่งกว่าก็เลยเองค์อืออ่นเนี่ยก็เลยลดเหมือนลดความสําคัญในความรู้สึกของคนจึงทําให้ไม่ได้เก็บประวัติชั้นไว้พอมาถึงยุคหลงังๆเข้าอรหันหายากเราก็นึกย้อนกลับไปเห็นความสําสคัญอรหันยุคก่อน ก็ไม่มีร่องรอยที่จะให้ศึกษาก็เลยประวัติชีวิตของท่านหายไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเท่าที่เหลืออยู่นี่ก็เรื่องไม่ใช่น้อยแล้วใช่ไหมเป็นพันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยพูดจากกันไม่หวาดไหวถ้าจะพูดถึงว่าตั้งหลักดึงออกมาจากพระไติฎกเป็นคนคนไปเนี่นะเอาแค่ภาษาลิบุตรองค์เดียวเนี่ยถ้าพูดกันแบบเลื่อยเปื่อยไปไม่ฟังนี่ เสียงเวลาเนี่ยครับปีหนึ่งสมมตนะิอาทิตย์ละสองชั่วโมงไงนะปีหนึ่งประวัติท่านเล่าถึงอะไรแต่อะไรแระว่าจะไปทําอะไรกับใครสอนกับใครสอนว่ายังไงเนี่ยปีหนึ่งทำไมเอาเรียวกว่าไม่ถึงก็พูดพิสดารอะไรมากเพราะถ้าพูดธรรมะพิสดารก็เป็นอันไม่หมดแน่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มากมายเพราะฉะนั้นที่จะพูดอ่ ในอปทานเนี่ยก็จะแยกเป็นประเภทอันตรายเหมือนอย่างที่ผมกําลังจะแยกเรื่องเอสทัคะเป็นกลุ่มๆให้ดูให้เห็นเป็นระบบเป็นสั์เป็นส่วนเนี่ยนะเราก็จะเห็นเป็นรวมๆที่ติดตาแล้วก็ครบทั่วมาขึ้นนะฮ ะ, ะทีนี้ว่าถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการจะพูดแล้วเราสนใจร่วมกันอยู่ก็คือว่าอาการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยถือเป็นเรื่องเอก คงจะไปถึงเอาครั้งที่สี่ของการบรรยายนะฮะนี่ก็ก็รอไปหน่อยเอเราจะลําดับพูดอย่างนี้ครับนี่เป็นข้อตกลงที่แน่ชัดแล้วว่าในชั้นแรกเนี่ยผมจะลําดับตามเอตทัคคะแต่ยังไม่ใช่พูดวันนี้ไอ้เรื่องลำดับประวัติศามตร์บุธรรมนี่นะแต่จะพูดยืนลําดับตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ในเอตทัคคะเพราะว่าเอตทัคคะสาวกเนี่ย เราสนใจท่านเป็นพิเศษและโดยมากเราจะรู้จักชื่อรู้จักประวัติท่านมากบางน้อยบ้างกัแล้วแต่ถ้าเป็นคนเข้าวัดนะถ้าเป็นนักฟังนักอ่านก็จะรู้จักท่านมากคนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วมีรายละเอียดครบทุกอง ล, ละเอียดชัดเจนดีครบทุกองค์ส่วนพระเทระที่เหลือเนี่ยมีจานวนมากและจานวนมากเราไม่รู้จักชื่อท่าน ทื่อก็ไม่รู้จักอ่า น, นั้นนะผมจะไปเรียงประเภทของผมเองจะไม่เรียงอย่างในเทระคาถาเลียงจะไม่เรียงอย่างในอปทานเลียงจะเรียบเรียงใหม่ให้กระชับและครบทั่วเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อสะดวกและเพื่อความน่าฟังน่าติดตามนะะนี่ก็ขอทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้คราวนี้เราก็จะกลับมาพูดถึง เอตทัทคะที่จะพูดวันนี้นะ่ะจะพูดถึงตัวตําแหน่งและตัวบุคคลแต่โดยย่อขอให้ดูในเอกสารชุดที่หนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยก่อนเอตทัทคะที่ท่านเริ่มโดยฝ่ายพิสูก่อนรบีบลงเจา้าเมื่อทรงตรัสว่าดูดกรพิสูุทั้งหลายพระอัญญาโกธัญญะเลิศกว่าพวกพิสูสาวกผู้รู้ราตรีนานเป็นต้นที่ถือเป็นพุทธพจน์นะ เอเราก็จะดูว่าตำแหน่งต่างๆที่ปรากฏในนี้น่ะเออผมว่าเลยแล้วกันคือไม่ไม่อ่านเอกสารไปลำดับว่าเป็นลักษณะสรุปให้ฟังเลยก็ไม่ได้เอาแผ่นไม่ได้เอาเครื่องฉายมานะก็ เอานี้อ่านให้ฟังแล้วท่านท่านจดบางสิ่งที่ควรจดไปก็ไม่พิสดารเลยนะครับมันมีอยู่สามกลุ่มนะมีทั้งหมดสามกลุ่มลักษณะตำแหน่งเนี่ยคือกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มอินสียห้าอินสียห้านะก็คือสตาวิยาส ต, ติสมาธิปัญญาที่ถือว่าเป็นคุณธรรมสาคัญสองคู่ถึงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญในธรรม ในกลุ่มที่หนึ่งอินทรีย์ที่หนึ่งนี่หมายความว่าตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนั้นยกย่องด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมตัวที่หนึ่งคือศรัทธาซึ่งถ้าเป็นเรื่องตำแหน่งทางโลกลาใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหขายก็ไม่มีใครอยากซื้อซึ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าได้แล้วก็ไม่มีใครก็มาเลื้อยขาเขเอีย ตำแหน่งอย่างนี้แล้วเลือเล่อยก็เรื่อยไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของใครของของมันกรณีตัวศรัทธาเนี่ยผมอธิบายไปเลยและท่านว่าท่านโจทย์ไปตามลำดับตัวศรัทธานั้นจะทรงแบ่งเป็นอสองพวกหนึ่งผู้หน่าศรัทธาผู้น่าศรัทธากับสองผู้มีศรัทธาในศรัทธาที่ครบทั่วเนี่ยจะต้อง ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะสองอย่างคือผู้น่าศรัทธาแล้วก็ผู้มีศรัทธาสำหรับผู้น่าศรัทธาที่ได้รับยกย่องไว้ในส่วนแห่งศรัทธาตรงนี้ก็คือท่านอุปเสนะ <c oughs> วังคันตบุตรดูลำดับที่ยี่สิบสี่ของภิกษุ ดูประกอบไปด้วยนะลำดับที่24ของภิกษุองค์ที่24อุปเสนวังคันตบุตรเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศว่าพระอุปเสนวังคันตบุตรเป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายโดยเป็นผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ แต่คำว่านำเลื่อมสายมาโดยรอบในภาษาบาลีใช้คำเดียวก็ชื่ อ, อตระกถาพระวินัยคือสมันตะปาสาทิกาสมันตปาสาทิกาตระกถาพระวินัยชื่อนี้และตามสาววันนำความเลื่อมสายมาโดยรอบวินัยเนี่ยเป็นส่วนที่สร้างความเลื่อมสายให้เกิดขึ้นในทางกายภาพนะฮะก็ภิกษุใดมีวินัย คืออยู่ในอาจาระอันดีงามก็เป็นที่น่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยขึ้นก็เพื่อเหตุผลว่าทําให้เกิดความเลื่อมใสอทีนี้ท่านอุปเสนาวังกาตบุตรเนี่ยอตัวท่านเองเนี่ยว่าจริงถ้วท่านก็เป็นคนบ้านเดียวกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตร บ, บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นานลากาคามแคว้นไหนแคว้นมคธ แทนมคตเป็นเป็นลูกพราหมณ์ท่านอุปเสนะก็เป็นลูกของพราหมณ์ชื่อว่าวังคันตะนั่นแหละจึงเรียกว่าวังคันตบุตรเช่นเดียวกับสารีบุตรเป็นลูกของนางพราหมณีชื่อสาลีก็เรียกว่าพระสารีบุตรและที่เรียกว่านําความเลื่อมใสามาโดยรอบเนี่ยคือคนที่น่าเลื่อมใสเนี่ยถ้าพูดถึงในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเขาพูดว่า คนคนนี้มีวิภูม์วันณาอาการกริยาหน้าดูแล้วก็แถมเรื่คงอา่าน่าเลื่อมใสอันนี้พูดอย่างโลกโกหน้าเลื่อมใสเพราะว่าคนบางคนมีบุคลิกชวนให้เลื่อมใสซึ่งไม่ได้เกี่ยวกุณธรรมนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เรียกว่าเป็นความน่าเลื่อมใสที่เกิดขึ้นจากวิบากกุศลวิบากของคนก็ได้แต่ถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคุณธรรม ทีน่นี้คุณธรรมที่ทําให้คนเลื่อมใสเนี่ยความจริงก็ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งนั้นแหละครับทําให้คนเลื่อมใสแต่เป็นข้อที่เมื่อบุคคลบางคนเนี่ยไรสิีขามหรือเอาแค่ศีลเนี่ยพอมาบวกกับบารมีสมมุติายกตัวยอย่างง่ายว่าคนสองคนก็ได้ะหรือปลาสองลู ก, กคนนี้ คนรักษาศีลห้าหรือศีลแปดคนนี้รักษาศีลห้าหรือศีลแปดปลาองค์นี้ศีลสองร้อยี่เจดองค์นี้ศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเหมือนกันแต่เชื่อไหมครับว่าคนกับพระทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสได้ไม่เท่ากันอะไรเข้ามาเป็นตัวแปร <c oughs> อาจจะนึกเป็นเรื่องต่างๆหลายอย่างแต่ว่าสิ่งสําคัญในในการอธิบายในเรื่องนี้นะคือบารามี เข้ามาเป็นตัวแปลนะฮะคือคนมีทําปฏิบัติโดยมีบุญทางนี้ด้วยมีอดีษฐานทางนี้ด้วยเข้ามาบวกกันก็ได้รับความเลื่อมใสเป็นพิเศษเพราะนั้นท่านอุปเสนาวังคันต บ, บุตรนั้นท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ว่าขอให้ตัวท่านเองเนี่ยพูง่ายว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งศรัทธา ไปที่ไหนก็ให้คนเกิดกิจฟองใสเลื่อมใสและเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะนั้นท่านผู้นี้ไปไหนคนก็เลื่อมใสก็ก็เห็นจะมีลักษณะเหมือนเป็นพูดให้กับาศาสนาอย่างดีนะฮะว่า ผมเมื่อไปพม่าเนี่ยก็มีพระสั่งก็ไปล่ามไปเรียนกับหลายรูปแล้วก็ได้มีโอกาสรูจ้จักได้สังเกตแล้วก็ได้คุยกับบางรูปไม่ได้คุยกับทุกรูปาบางรูปเนี่ยเรียนเก่งบางรูปปฏิบัติเก่งแต่ว่ามีบางรูปเนี่ยมีลักษณะของความเป็นสมณะท่าเรียวกเป็นสมณทูตคือลักษณะสังฆะสังฆะธรรม การสงเคราะห์การเข้าถึงการรู้จักการติดต่อดีมากองค์เรียนเก่งสู้องค์นี้องค์บางองค์ไม่ได้ที่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งอย่างนั้นแต่มีลักษณะอย่างนี้สูงอันนี้เทียบให้ฟังนะเทียบให้ฟังว่าท่านอุปอุปเส น, นะท่านไม่ใช่เป็นคนมีปัญญาอย่างพระสารีบุตรแต่เป็นคนมีลักษณะอย่างนี้สูงมาก และท่านว่าไม่ใช่แต่เฉพาะตัวท่านอุปเสนะแม้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งมีเป็นจำนวนมากคือท่านเองเนี่ยไม่ได้รับความเลื่อมใสเฉพาะญาติโยมแม้คนหนุ่มที่มีจิตใจความโน้มเอียงในทางบวตก็อยากจะมาบวชอยู่กับท่านมาเป็นบริการบริวารท่านบวชแล้วก็ได้ลักษณะอย่างท่านก็เห็นจะว่าอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลย่อมลงกันด้วยทา คือคลักษณะอย่างนี้คงจะได้ทําบุญทำกุศลลักษณะเดียวกันมาก็เลยมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ถอดแบบของอาจารย์ไปไปที่ไหนก็เป็นบุคคลหรือเป็นภิกษุที่มีลักษณะอาจารย์นี่ท่านว่าไว้อย่างนั้นเลยทั้งตัวเองและอันเตวาสิก ข, ของท่านด้วยเป็นที่นํามาแห่งความเลื่อมใสรอบนั้นนี่เป็นข้อ ที่ได้รับยกย่องนี่องค์หนึ่งคราวนี้มาว่าถึงอีกองค์หนึ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นผู้น่าศรัท ธ, ธาคือท่านปิลินชวัตฉะดูองค์ที่ยี่หกท่านปิลินชวัจฉะปิลินเป็นชื่อตัววัตฉะเป็นชื่อโคด เรียกชื่อ้วยเรียกนามสกุลด้ ว, วิริลินทวัจชะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเออเมื่อกี้นะครับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเทวดาองค์เมื่อกี้เนะองค์นี้เป็นที่รักของเทวดา คือเรื่องนี้ถ้าเราจะวิจารณ์เทียบกับชีวิตปัจจุบันนะโว้มันก็มีแง่คิดเทียบกันได้พอฟังชัดเจนนะคือบางคนเป็นที่รักของมนุษย์แล้วบางคนเป็นที่รักของเทวดาผมเห็นเลยอะ่ะยกผมเนี่ยนะเออคนบางคนเนี่ยนะเป็นที่รักเทวดาจริงๆพูดถึงคนในวงาศาสนาเทวาที่ผมเห็นเนี่ยพูดทั้งโยม ท, ทั้งพระนะก็ยังเคยคุยเออคนนี้แปลกสังคมมนุษย์ไม่เคยยอมรับแต่ว่าเทวดายอมรับ เทวดารักผมเคยบอกกับท่านเจ้าตัวมาแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยแขกรักแต่คนไทยเฉยๆเวลาไปอินเดียเนี่ยโอ้โแขกตื่นเนี่ยกับเทพเจ้ามาแต่อยู่อินเดียคนไทยเยอยๆเนี่ยมันที่ยี่สี่นี่เราก็จะหยุดกันนานหน่อยจะไปอินเดียจะดูดิว่าแขกจะตื่นเต้นขนาดไหนกลัวจะเป็นพวกขอทานเนี่ยอย่างนี้เราตื่นเต้นแน่ให้มันแล้วก็ก็เลิกตื่นเต้นกันไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาษา ทีนี้อันนี้นะ่ะมันไม่ได้มาโดยไม่มีสาเหตุคณิท่านเราอะ่ะท่านปิริณสวัสดิ์จาเนี่ยโดยบุคลิกแล้วท่านเป็นคนมีใครจําได้บ้างผมจําได้ผมลองถามดูวะท่า น, ท, านท่านรู้ไหมว่าท่านปิรินสวัสดิ์จามีบุคลิกพิเศษที่คนไม่เคยชอบอย่างพระก็ไม่เคยชอบโยงก็ไม่เคยชอบ แต่เทวดาไม่ถือเทวดาชอบจําได้ไหมอะไรเป็นพระที่พูดไม่เพลาะเลยยิ่งกว่าเจ้าคุณนอวัดเทพสิลินมาก่อนนี่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่เพลาะไม่พูดไม่ค่อยจะเข้าหูคนนะแต่ใจไม่มีอะไรเอ่านี่ท่านชอบเรียกคนไหว้ถอ ย, อยงะจาได้มหมยังกระทั่งเรื่องถูกโจทย์มาถึงพุตรเจ้าพระยาต้องแก้ต้องชี้แจง กันอยู่นังเนืองเป็นคนที่พูดไม่ดีเนี่ยตัวท่านเองน่จะเป็นชาวสาวัถีเป็นคนเกิดในตระกูพลพระรามที่เป็นที่รักของเทวดา เ, เพราะว่าในอดีต ท, ท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปกครองคนทั้งพระเดชและพระคุณพระเดชเนี่ยไม่ต้องไปออกแรงอะไรมากคือมีแสนยานุภาพอย่างง่ายๆไม่ต้องออกแรงมากพระพระคุณหมายถึงคุณไม่ใช่คุณชุบเลี้ยงทางกายภาพ แต่เป็นคุณทางคุณธรรมด้วยทำคนให้มีคุณธรรมมันลึกซึ้งยิ่งกว่าชุบเปลี้ยงให้ก้าวให้ปลาให้ทีธามากินนี้ท่านก็ทาไว้คนเมื่อได้เกิดในยุคท่านความชั่วไม่เป็นช่องให้ได้ทำได้ทำความดีได้คบคนมีบุญในยุคนั้นทำแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็าอายุยืนเทวดายยอยุยืยังมั้ยล่ะ ท่านทิวเรียนสวัจดิฉานเนี่ยท่านก็เวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็มาเกิดพวกเทวดาที่เขายังไปเกิดเพราะการชี้นําชีา้ทำชี้ทางชีวิตมะเสริฐให้เนี่ยก็ยังระลึกถึงบุญคุณเทวดาก็ไม่ลืมทั้งที่ตัวตนเองท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ลืมหมดแล้วใช่ไหมแต่เทวดาไม่ลืมมันก็ เ, เทวดาก็มีเยื่อใหญ่ทั้งเยื่อใยทางบุญและเยื่อใยทางจิตที่อยู่ในสัญญา คือในความตรงจา้าเพราะฉนั้นท่านเนี่ยไปที่ไหนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่นายไม่ไม่ไไมไมไมเทวดาก็จําได้มีอะไรแล้วก็ยกมือตู้หม้อเรียกว่าเปล่งคําว่าสวรรค์สวรสวรค์หมายถึงเทวดาเขาสนใจทันทีนะนี่เขาเรียกว่าคนที่มีบุญมีคุณยิ่งเขาจําได้ด้วยเนี่ยมันสองแรงบวกคือไอสายโซ่ของกรรมเนี่ยมันไม่จำไม่ต้องจํา แต่สายโซ่ของคุณเนี่ยมันอยู่ในความตรงจำก็เขาก็มาช่วยแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านจะพูดไม่ดีเนี่ยมนุษย์เนื่องจากไม่รู้ใจก็นึกคิดเอาตามคำพูดที่แสดงออกแต่เทวดาเนี่ยเขารู้ใจคนพูดดีใจไม่ดีเทวดาก็ไม่มีทางจะหลงหคนปากหวานเน่ยไปจีบเทวดายากเลย ถ้าหวานแล้วใจมันไม่เป็นบริสุทธิ์นะเขารู้หลอกเทวดาไม่ได้ก็เลยได้รับยกย่องอย่างนี้นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านอันนี้อีกองค์หนึ่งคือพระกาลุทายีองค์ที่สามสิบสององค์ที่สามสิบสอง ท่านการุธายีเนี่ยนึกออกบ้างไหมครับคือผมพูดถึงเรื่องประวัติปลาเนี่ยผมก็ไม่เคยกล้าพูดมากกลัวเอามาปลาห้าวมาขายสวนก็เลยต้องคอยๆถามด่วนคอยจะรู้บ้างไหมท่านการุธายีคือใครท่านกาลุธายีคือท่านรุทายีดำเป็นคนที่มีผิวคล้ำดำแต่ว่าความสําคัญของท่านเนี่ยครับ ท่านเป็นสหาชาติของพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าเน่เมื่อทรงประสูติก็มีบุคคลผู้เป็นสหร า, าติประสูติพร้อมกันตนโกลก็เกิดกวันนั้นพระนางพิมพ า, านายชนะที่ขีมากอัตกะแล้วก็คนหนึ่งก็คือกาลุทายีกาลุทายีก็เป็นแน่นอนนะเป็นชาวตบิลพัท เมื่อเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเพื่อนเล่นของพระโพธิสัตว์มาการุธายีเนี่ยและงานสำคัญที่การุธายีได้รับมอบหมายจากพระพุทธบิดาครั้งหนึ่งให้ทำอะไรจำได้หรือไม่เมื่อพระโพธิสัตว์ออกกระโจนแล้วพระพุทธบิดาก็ต้องการให้ให้กลับมาเยี่ยมมาพูดงไงให้คืนสูยาวกลับมาเยี่ยมบ้าน เคลียร์กล่อมให้สึบได้ก็จะเคลียร์กล่อมไม่สึกไม่สึกก็ยังดีได้พบพ่อแม่พี่น้องญาติมิตร<ม>ก็ส่งทูตไปหลายคณะนะทูตเรือไปอับปางกลางมาสมุทรหมดเลยที่พูดอย่างนี้หมายความว่าพรจะพุทธเจ้าบวชหมดล้างสมองหมดเลยไม่ยอมกลับมาส่งข่าว ก็ท่านก็รู้ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเหตุผลทางของพระพุทธเจ้านะว่าจะควรจะกลับเมื่อไหร่ยังไงควรทำอะไรก่อนจนกระทั่งส่งการุธายีถึงแม้ว่าการุธายียีไปตอนหลังได้ไปบวชและได้เป็นอหรหันต์พร้อมทางบริษัทบริวารที่ไปด้วยแต่การุธายีนั้นได้เป็นผู้ทำให้สกุลของพระพุทธเจ้า เองมีพุทธบิดาเป็นต้นนนั้นได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เลื่อมใสนะไม่ได้เลื่อมใสอย่างแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการบรรลุธรรมการบวชของพุทธเจ้าเหมือนบุคคลอื่นที่พุทธเจ้าได้ไปโปรดเนีลยแต่การุทายีนั้นเป็นผู้ประสานทําให้เลื่อมใสเมื่อพระเจ้าได้ทรงสเสด็จไปก็ได้แสดงธรรมโปรดจนทั่งได้เป็นพระอหรหันต์ก็มีออกบวชก็มากในการต่อมา นี่นี่นี่เป็นการทำสกุลให้เลื่อมใสครั้งเรียกว่าครั้งใหญ่ของท่านก า, าลุตายีเพราะนั้นตรงนี้นะถ้าเราจะพูดกันอย่างง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็คือว่าบางคนมีความสามารถที่จะเรียกว่าไปเปลี่ยนเรามองจึงเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี้ยนะฮะจะเป็นวิธีการหรือเป็นเป็ น, ปนบุญบา ร, รมียังไงก็แล้วแต่ เวลาเอาคนมาเข้าศาสนาหรือเผยแพร่ธรรมะเนี่ยเผยแผ่ทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกภูรยายกครอบครัวเลยและบางทีนะัตั้งเป้าหมา ย, ยางี้ด้วยสามีมาเข้าศาสนามาสู่ธรรมต้องไปเอาภรรยามาภรรยาเข้าก่อนต้องไปเอาสามีมาทำในลักษณะอย่างนี้ ไอ้ออาการอย่างนี้นะ่ะต่างศาสนาที่เขาเผยแพร่สันเขาก็พยายามทําอย่างนี้นะทีนี้คนที่ทําแล้วยกครอบครัวเขา้าเข้าวัดได้เนี่ยก็เรียกว่าต้องต้องเก่งนะต้องเก่งพิเศษไม่ใช่ว่าหัวเลื่อมสายเมียไม่ชอบไม่ชอบเลยอะไรอย่างงี้หรือลูกเลื่อมสายพ่อแม่ไม่เอาเลยก็เรียกว่าไม่มีลักษณะขอใช้คําว่าเทครัว เ ท, เทครัวเข้าวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เทครัวเข้ า, าศาสนามีลักษณะอย่างนี้อนี่ก็เป็นสามองค์ทีนี้ในส่วนของผู้มีศรัทธาที่ได้รับยกย่องในทางว่าเป็นผู้มีศรัทธาก็มีหนึ่ง อ, องค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับพระรัฐบาลพระรัฐบาล ไม่ใช่พระหลวงอะที่ชื่อวรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นชื่อตัวหรอกเป็นชื่อสกุลสกุลของท่านเนี่ยเป็นสกุลที่เรียกว่ารัฐบาลรัฐบาลแปลว่าอะไรรู้ไหยครับแปลว่ารักษารัฐและคำว่ารักษารัฐในที่นี้ไม่ได้มีความหมายอย่างที่เราใช้กันในภาษาไทย คือผู้ดูแลประเทศชาติอย่างในคณะรัฐบาลแต่ที่เขาเรียกสกุลนี้ว่าเป็นสกุลรัฐบาลเพราะว่าสกุลนี้นั้นเป็นสกุลที่สามารถมีความสามารถพิเศษอันหนึ่งคือเชื่อมประสาน ร, รัฐต่อรัฐที่ขัดแย้งกันทำขัดแย้งกันถึงขนาดจะลงไม้ลงมือกันเนี่ย ถ้าคนสคนสกุลนี้ได้เป็นตัวประสานทํารัฐคือไม่ใช่ครอบครัวต่อครอบครัวนะรัฐต่อรัฐที่แตกแยกนะ่ให้เป็นมิตรกันไม่ทําให้เกิดห้ายนะอันเกิดจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐต่อรัฐที่เขาจึงเรียกว่าสกุลรัฐบาลและท่านก็เป็นคนในสกุลนี้เนื่องจากว่าลักษณะของความเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็น ที่รู้แล้วก็เป็นลักษณะพิเศษที่น่าพอใจน่าเรื่อมใสเขาก็เลยเรียกท่านว่าเป็นรัฐบาลไปด้วยเมื่อมาบวชก็เรียกว่าเป็นพระรัฐบาลท่านเป็นลูกของสกุลเศรษฐีทีใหญ่โตนะฮะก็ในประวัติท่านเนี่ยเราเคยได้ยินบางทีบางท่านเคยได้ยินหลายครั้งข อ, อบวดให้พ่อแม่ไม่อยากให้บวชอ่ะแต่ในที่สุดก็ ออกบวชบวชแล้วก็พยายามนิมนต์กลับไปเอาเงินนทองมาลอกท่านก็พูดเป็นตำนองว่าเอาไปทิ้งไปนะไม่มีค่าอะไรสำหรับท่านท่านรัฐบาลเนี่ยเป็นคู่บา ร, รมีของของเจ้าชายลาหุนนะเจ้าชายลาหุนมาบวชก่อนบวชตั้งกนเนยนะท่านน้ำบวชที่หลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมที่บ้านเกิดเมืองนอนท่า น, านคือที่แคว้นกุรุแคว้นกุรุที่พระเจ้าแสดงอสติปัฏฐานสูตรแสดงม า, านิทานสูตรเนี่ย เป็นแกวนของคนมีปัญญาเป็นแควนคนที่อยู่ดีมีสุขฉลาดด้วยแล้วก็อยู่ดีมีสุขท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้ดีของเมืองคนดีเป็นผู้ฉลาดของเมืองคนฉลาดท่านรัฐบาลนั้นได้รับยกย่องตามที่ปรากฏในที่นี้ว่าเป็นผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมก็เกิดศรัทธา ศรัทธาถึงขนาดว่าต้องบวชให้ได้แล้วก็ฝืนคําขอร้องคําวิงวอนคาบังคับคําทุกทิ้งทุกอย่างคาที่เป็นการกัดขวางของพ่อแม่ในที่สุดก็บวชจากลูกเศรษฐีบวชแล้วก็ไปอยู่ลำบากยากเยียนเอ้าปลาอาหารเต้าหมองยังไงก็สามารถจะกินได้ถึงเป็นเรื่องที่คนเมียนจะกินเห็นแล้วก็ปิดประโอะแต่ว่าท่าน ซึงถึงทาถึงศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ศรัทธาเป็นเครื่องเลี้ยงเป็นเครื่องเผชิญความยากลาบากนั้นได้รับยกย่องผู้บวช ด, ด้วยศรัทธานะฮะนี่ใช้คำว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาก็แสดงว่าคนที่เข้ามาบวชเนี่ยเข้ามาบวช ด, ด้วยเหตุต่างๆกันแต่บวช ด, ด้วยศรัทธาถือเป็นอันหนึ่งและบวช ด, ด้วยศรัทธาอย่างยอดเยีย่ยมอย่างเป็นเลิศ ก็คือท่านรัฐบาลอย่าเอาอะไรมาขวางอย่าเอาอะไรมาง้างแม้อายก็ไม่ก็ต้องนี่คือท่านรัฐบาลคราวนี้ต่อไปผู้มีถถามกันนะคือสิงคารมาตาใน กลุ่มภิกษุณีองค์ที่สิบสามผู้พ้นกิเลสได้ด้วยศรัทธาบวชกับพ้นในคนละอันกันข้อบ่งชี้คนละอย่างพระนางหรือพระหญิงที่ชื่อวสิคารมาตาเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นแม่ของสิงคาระละก็บวช เอตัวนางเองนะเป็นลูกเศรษฐีพระพุทธเจ้าเมื่อได้เสด็จไปแสดงธรรมได้ฟังแล้วก็เกิดเลื่อมใสเกิดเลื่อมใสแล้วก็บวช ด, ด้วยความศรัทธานะคะแต่ว่าจุดพิเศษของนางตอนที่บรรลุเป็นพระาอารหันเนี่ยบรรลุเมื่อยือนศรัทธาเนี่ยศรัทธาในอะไรศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ายืน มองพระผู้มีพระภาคด้วยความศรัทธาทมก็ศรัทธาตัวบุคคลก็ศรัทธาเกิดปีติในระหว่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเห็นว่านี่เป็นบูปการแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้นางบรรลุธรรมก็ได้ทรงแสดงธรรมในตอนนั้นนางจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยศรัทธาที่ท่วมทัน สลีละและจิตใจอยู่ในขณะนั้นนั่นเองอันนี้ก็ค ล, คลายปาวักรลินะ่นนะทีเป็นลายหนึ่งที่ได้รับยกย่องในเชิงศรัทธาแงน่นี้และอีกลายก็คือท่านปาวักรลินั่นเององค์ที่สิบเก้าฝ่ายพระภิกษุในเอกสารอย่าลืมมีอีกสี่ฝ่ายพระชายพระหญิง โยมชายและโยมหญิงองค์ที่สิบเก้าท่านพระวักริถ้าถามว่าใครไม่เคยได้ยินชื่อพระองค์นี้บ้างเนี่ยไม่มีคนยกมมนมีคนยกมือแน่ตั้งแตที่นี้ได้ยินชื่อทุกคนแล้วก็พอจะรู้เรื่องของท่านว่าท่านเองเนี่ยการเริ่มเข้ามาสู่สาศาสนาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเราเรียกว่า คือคนศรัทธากับคนราคะจริตเนี่ยมันของปนกันอันนี้ปนกันเนี่ยไอ้ตัวไหนมันออกหน้าเมื่อไร่แค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างท่านหญิงเมื่อกี้น่ะศรัทธาไม่ใช่ราคะออกหน้าเลยตั้งแต่ต้นยนยันบรรลุธรรมแต่ว่าพระวัคคิลิเนี่ยเป็นชายแท้ๆ แ, แต่เริ่มต้นนั้นราคะออกหน้า เกิดความกำหนัดชอบใจในความงดงามของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้ออกบท ด, ด้วยกิเลสนั้นแล้วก็อยู่สมาคมด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยกิเลสนั้นจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคตรกตะเพิดก็เป็นอุบายตาให้อาราคากลับก็กลายเป็นโทสะ น, น้อยๆพอมาทวงดุลราคะ แล้วก็ได้สรงแสดงธรรมให้เกิดสถาบนยอดเขานะฮะเป็นอาฬานบนเขาแสดงธรรมโปรดกันบนเขาเ น, นในพวกชอบปีนเขา ต, นาต้องไปบรรลุธรรมต้องบรรลุแบบนี้แต่คงไม่ใช่เอเวเรสตแะครับเขาที่ไหนต้องไปศึกษาให้แน่ทีเอเวเรสต์ก็อยู่ที่เนป่ลเหมือนกันกรณี ข้อนี้นะเหมือนกับพระหญิงเมือ่อสักครู่นี้คือพ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธาคือในขณะที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นศรัทธาที่พึ่งมาปรากฏอย่างบริสุทธิ์ตอนนั้นอาจจะต่างกันนางเมื่อกี้นะแต่ว่าสถานการณ์อาการนันเหมือนกันก็ได้ทรงทำศรัทธานั้นให้เป็นพาหะไปสู่ปัญญาจนบรรลุธรรมเป็นพระอรรณา นี่ท่านพาวักลิต่อไปอตะปุตสะพันลิกอาอันนี้ขอให้ดูโยมชายที่หนึ่งโยมชายข้อที่หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่หนึ่งหน้าสามนะครับตะปุตสะพันลิกาเลิศกว่าพวก อุบาสกสาวกพูดถึงสาระก่อนถึงสาระก่อนไอ้ น, นี้ใช้คําว่าถึงสาณะแต่จริงๆก็คือนับถือศาสนาพุทธนับถืออะไรบ้างถึงสาระก่อนนับถือพระพุทธนับถือพระธรรมพระสง์มีอย่างเท่านั้นพระสงค์ยังไม่มีก็ถึงสาระสองก็ตอนหลังได้ท่านได้เป็นพระราหาน เอตปุสาพัลิกะที่เป็นพ่อค้าที่พมา่าว่าเป็นคนพมา่าคนมอนนะแล้วก็นําเส้นพระเกศาไปบรรจุสร้างไว้ที่จเวีดากองเอาไปขึ้นในเมืองท่าสร้างเกดีไว้ที่แล้วก็มาบรรจุที่จเจวีดากองที่คนพมา่านับถือกันจัดถึงขณะนี้อันนี้ก็คนที่ถึงสารณะเนี่ย เป็นศรัทธาไม่นับถือศาสนาต้องนับถือก็ด้วยศรัทธาใช่ไหมใช่นับถือจริงๆนะต้องนับถือกด้วยศรัทธาไม่ใช่จ้างให้นับถืออย่างเนี้ยนับถือทางศาสนาพุทธเนี่ยถือว่าถ้านับถือแล้วต้องนับถือด้วยศรัทธาจึงจะนับว่าเป็นการนับถือเป็นถือว่าเป็นพาหะที่มาตามลําดับชั้นตามพิธีกรรมพิธีการตามสมควรอย่างที่ว่าเราเมื่อจะ ทำกรรมฐานก็สมาทานความเป็นยาวพุทธยำเรื่อยๆพุทธังตะนังอาฉามิเป็นต้นต่อไปอุบาสกคนที่แปดรูอุบาสกคนที่แปดได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างแน่นแฟน้นเป็นพระโสดาบันความจริงพระโสดาบันเน่ก็แน่นแฟ้นทั้งนั้นแหละ ไม่มีโสดาบันองค์ไหนแน่นแฟนแต่ว่าองค์นี้นะท่านมีเหตุการณ์พิเศษมีเหตุการณ์พิเศษและได้คำความปรารถนาไว้แต่อดีตขอให้ได้รับยกย่องตรงนี้ท่านผู้นี้ชื่อว่าสูรำพัฒนะเศรษฐีบุคือเป็นลูกเศรษฐีที่บางทีเราก็เรียกว่า สุรัมพัทธอุบาสกเหตุการณ์พิเศษที่ทำให้ท่านได้รับยกย่องหรือบุคคลเมื่อพูดถึงท่านแล้วก็จะนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือว่าเมื่อท่านลูกชายเศรษฐีคนนี้ได้ไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่แสดงธรรมก็กลับบ้านเมื่อกลับถึงเกหาสถานมันก็ตามมา ตามมาเนี่ยเพื่อจะลองใจแล้วก็เพื่อที่จ ะ, จะรก ร, ระทําการวรทุสลายตามมีสายมานคือแย่งชิงศรัทธาทําลายศรัทธากันกวงางศรัทธาเห็นว่าจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเศรษฐีซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างคนร่ำคนรวยแล้วก็เข้ามาเมื่อก่อนก็ไม่ได้เอาอะไรเลยคือไม่ได้เอ า, าศาสนาเลยเลยแล้วก็มาถูกมาเข้าวัดแล้วกลายเป็นบุคลิกเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนทัศนกติ ic, เปลี่ยน มานก็เดือดร้อนใจก็พออุบาสกขึ้นบานมานก็ขึ้นตามแต่ว่ามานไม่ได้สัมแดงตัวเป็นมารสัมแดงตัวเป็นลุงพุทธิจาร์มนันนะแปลงร่างได้เกิดลักษณะแปลงร่างหลอกเนะี่มีก่อนพุทธกาลหลังพุทธกาลก็มีเรื่องบันเทิงไว้ผมเคยเล่าๆไวใ้ในในในหลักวิชาทางนี้อยู่บ้างอ่าแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ในสมัยพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยดูทางรูกประธรรมเนี่ยนะดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครพระองค์จริงใครองค์ปลอมใช่ไหมถ้ามราองค์หนึ่งเป็นมางองค์หนึ่งเป็นจริงดูไม่ออกอย่างเราเนี่ยยิ่งไม่มีทางดูออกยิ่งไม่รู้ธรรมยิ่งดูไม่ออกปริญยนก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่เคยดูยิ่งดูไม่ออก คำนองว่าฟังมาของเทศทีเราก็คล้อยไปตามมานันว่าจริงฟังพุทธเจ้าได้ทีก็คล้อยไปตามพุทธเจ้าไม่รู้อะไรเน่แต่ว่าคนที่รู้ทำเนี่ยเขาเขา เ, เ, เ, เขาไล่ทันนะรู้บริยญากระบอกไล่ทันแล้วก็ถ้าปฏิบัติเนี่ยครับแทบจะเรียกว่าศบตาแล้วรู้ทันทีปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติเป็นพระปริยะเนี่ยนะครันี้ พอมานกลับมาเนี่ยวันนั้นทุกเจ้าทรงแสดงกรรมฐานโปรดโ ส, สรัมพะด้วยขันธ์ปัญจกะแสดงวิปัสนาด้วยอํานาจของขันธ์ปัญจกะว่ารูปเป็นต้นไม่เที่ยงรูเปเ ป, เป็นต้นเป็นทุกรูปเป็นต้นเป็นอนาตาัตต์ได้บรรลุเป็นโสตบันมานก็กลับมาบอกว่าโยม เมื่อกี้น่ะแตามาเทศผิดว่ารูปไม่เทียงความจริงรูปเที่ยงขอแก้คำเทศใหม่แก้คำผิดแก้คำเทศผิดไปพอพูดอย่างนี้มารรู้อภัอุบาสกรู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ต้องเป็นมารก็ไล่พระพุทธเจ้าเทียมลงจากบ้านไม่ไดานเลย ไล่ไปเลยว่าท่านไม่ใช่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่ท่านเป็นมารตามมาเบียดเบียนเราที่ถ้าเป็นรุ่นหลังนะพระอย่างนี้พระอบพระที่ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าเอาไม่ใช่มารที่ถูกพระโอเบคุตทรมานได้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าจะแปลงร่างยังไม่กลา้าเลยกลัวจะไหวกลัวพระจะไหวมาร คือว่าไปแปลงส่งไปแปลงไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะจะเข้าใจกันผิดนะพูดง่ายจะไปไหว้ม า, าเอาครับแต่ว่าถ้าเป็นพระริยะแล้วก็ท่านจะรู้ได้รับยกย่องเป็นศรัทธาหลังการบรรลุ ค, ครับศรัทธาหลังการบรรลุคือสารลัมพาอุบาสกต่อไปอีกท่านหนึ่งก็คือชีวโกโกมาลพัท อุบาสกคนที่เกา้าหมอชีวกรู้จักกันดีเป็นหมอประจําพระองค์ของพระพุทธเจ้าโอ้ประจําหลายคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าประจําพระเจ้าบนดินก็พระเจ้ามาคตแล้วคงจะมีเศรษีใครตะใครที่มาพึ่งพ า, าสายท่านเป็นหมอประจําตัวหลายคนแล้วคนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือของพระพุทธเจ้า แต่ว่าแทนที่จะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคขาตรงนั้นกับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ปรารถนาคือปรารถนาธรรมแต่ไม่ได้ปรารถนาได้รับยกย่องปรารถนางานแต่ไม่ได้ปรารถนาตาแหน่งแต่อันนี้ปรารถนาตแหน่งคื อ, อได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลื่อมใสในบุคลคลคาว่าในบุคคลนี่ข้อนี้นะ มีเรื่องชวนวิจาร์มากเอาไว้ว่าถ้าถึงรายละเอียดจะพูดวิภาควิจารเพราะว่ามีพระสูตรบางแห่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสโทษของการเลื่อมใสตัวบุคคลว่าการเลื่อมใสตัวบุคคลเนี่ยมีโทษอะไรบ้างหลายข้อเช่นว่าถ้าบุคคล น, นั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลความเลื่อมใสของผู้เลื่อมใสก็ เปลี่ยนหายถ้าบุคคลนั้นตายความเลื่อมใสของบุคคลนั้นก็ไม่มีที่อาศัยตายตามไปด้วยอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไปฝากไว้ที่ตัวบุคคลติดคนแล้วก็เปนของไมท่ทีเ อ, อมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ยนี่หมอชีวกเนี่ยมาทําผิดซะเองเป็นพระโสราบรนแท้ๆทาผิดซะเองเลื่อมใสตัวบุคคลถามว่าผิดไหมอันนี้ถ้าจะ เทียบกับพระสูตรอื่นที่มีคนเคยถามว่าเอ๊ะทำไมบางสูตรเนี่ยเอพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษของการอยู่ประจําที่ทําให้ติดที่ติดสกุลเป็นต้นเขาก็ว่าไ อ, อย่างนั้นที่ถูกคว ร, ควรจะไม่ควรจะอยู่ประจําที่ใช่ไหมทำไมก็พระนี่อยู่ประจําวัดทําให้ติดผมก็บอกว่าเอ๊ะพระอีกสูตรหนึ่งสูตรที่อื่นดีก็ทรงตรัสว่าโทษของการอยู่ไม่ประจําที่มีเหมือนกัน อันนี้นะสรุปได้ว่าเรื่องของอยู่ประจาที่ไม่อยู่มันมีคุณมีโทษบริหารดีทำดีทำถูกมีคุณทำไม่ดีมีโทษสอนเพื่อใหเราวังโทษเพื่อให้เจริญคุณศรัทธาเหมือนกันศรัทธาในตัวบุคคลเนี่ยก็มีทั้งคุณทั้งโทษบอกไม่ศรัทธาคนมันก็มีคุณมีโทษเหมือนหมายถึงศรัทธารวมๆอะ อทอาถ้าเราศรัทธารวมๆเราแหมไม่ศรัทธาแล้วก็ศรัทธารวมๆกลุ่มๆไปมันก็มีโทษพูดถึงศรัทธาตัวบุคคลอย่างที่เป็นคนก่อนเนี่ยเป็นคุณต่อเมื่อเราไปศรัทธาตัวบุคคล น, นั้นที่เขาดีจริงๆเป็นคุณอย่งางศรัทธาพระพุทธเจ้าไ่นะมีไหมที่พระพุทธเจ้าจะทำให้เราอกหักผิดหวัง เอว่าไม่ศึกทำไมสักวันหลังพระพุทธเจ้ามาศึกแล้วศรัทธาเราก็หายไปไม่มีใช่ไหมฮะหรือว่าอพระผู้มีพระภาคได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันไปแล้วตายไปแล้วศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าของบุคคลที่มีต่อพระพุทธเจ้าที่ดีอย่างนั้นเนี่ยอ่าพระผู้มีพระภาค เมื่อเป็นคนดีอันนั้นย่อมทรงอาศัยศรัทธาสั่งสอนให้ปัญญาแก่เราก็ดีหรือว่าคนที่เขามีคุณธรรมสูงมีอนุภาพมากแม้ตายไปแล้วเนี่ยอะไรอะไรที่เป็นสิ่งหลงเหลือคำสอนก็หลงเหลือเนียวแน่นกระดูกอนุภาพอะไรก็ชื่อเสียงอยู่ยงคงกะพันในโลกนี้พูดอยู่จนก็นเรียกว่าไอเราตายไปแล้วสิ่งดีๆของท่านยังอยู่อีกนานใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องกลัวว่า แด้วท่านตายไปแล้วเราไม่มีที่พึ่งคําสอนท่านยังอยู่กระดูกท่านยังอยู่สังเวชในสารท่านยังอยู่เราตายกลับมาอีกหลายชาติก็ยังอยู่ให้เราตาตาต่อถ้าเรายังไม่ลืมในตาตาของเรานะถ้ามีอนุภาพน้อยเนี่ยก็เรียกว่าพอตัวตายทุกอย่างก็ขายไปหมดเลยต่อโผล่น้ําลดต่อโผล่อะไรอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นกรณีของหมอชีวกนั้นท่านเป็นโสดาบัน ด้วยการศรัทธาใครเป็นพิเศษไม่ทำให้เกิดโทษพระอนอนลักพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษไม่เกิดโทษอย่างนี้คราวนี้มผมมาพูดถึงว่าไอ้คนศรัทธากว้างๆแล้วมันโอกาสที่จะได้ประโยชน์น้อยหรื อ, อโทษเกิดง่ายคือคนเนี่ย เรามาพูดถึงอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาว่าใครที่เป็นหน้าเลื่อมสายหาเป็นเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองมีลําดับไหลไว้แล้วบางคนก็เป็นพิเศษนะนี่ถ้าสมมุติเราไม่เอาเลยบอกให้เท่ากันหมดเราสนใจนแบบคนทั่วไปมองระเบิดๆโดยทั่วไปคุณธรรมเราก็ไม่กระตือรือร้ น, นใช่ไหมมันก็เสื่อเสื่งๆไม่เอาจริงอะไรสักอย่างมันเฉลี่ยไปหมดไงหมายถึงเฉลี่ยให้เท่าก็ไปหมดเลยก็เลย ไม่มีแบบอย่างอะไรเป็นวิเศษแล้วโอกาสที่เราจะทิ้งศรัทธาในลักษณะเบลอๆอย่างนี้ก็ง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยพวกนี้ผมว่าผมจะไม่วิจารณ์แล้วก็พูดระเหรอไปตั้งเยอะสมัยพระพุทธเจ้านะ่ะพระอรหันต์ท่านมีลําดับไหลของศรัทธาของท่านอยู่ทุกองค์ใช่หรือไม่ใช่ไหมฮะ ภาษารีบุตรเนี่ยศรัท ธ, ธาใครเท่าพระพุทธเจ้าหมดหรือภาษารีบุตรศรัท ธ, ธาคนหลายคนแต่ไม่ได้ศรัทธาใครเท่าพุทธเจ้าหมดออันนี้เขาเรียกว่าถ้ามันสําเร็จด้วยปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ใช้ได้จึงไม่ขัดกันนะครับอามาว่าถึงต่อไปเไป็นอันว่าเรื่องศรัท ธ, ธาเนี่ย พวกสัตทินสี่ได้รับยกย่องเรื่องนักปฏิตรีมีเท่านี้ในส่วนแห่งวิดยะความเพียรได้รับยกย่องเรื่องน่าต้องความเพียรมีอยู่ไม่มากลุะะ่มนักผู้ได้รับยกย่องความเพียรเนี่ยมีความเพียรสองแบบหนึ่งคือเพียรในการปฏิบัติธรรมหมายถึงปฏิบัติภาวนามายกุศลเนี่ยอันหนึง่ง แล้วก็สองเพียรในการปฏิบัติกิจวัดก็เป็นเรื่องของทานองเวยาวัดจักรสำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องในเรื่องเพียรในทางปฏิบัติก็มีสามท่านเดยกันหนึ่งคือท่านโสนท่านโสนนะโกลิวิสาองค์ที่16บหกอะ องคที่สิบกถ้าใครฟังพระสูตรเนี่ยเราเคยเอาพระสูตรสูตรหนึ่งมาเล่าเป็นพิษดาลจากพระไตรปิฎกนะเรื่องพระโสนโกริวิสาพระโสนโกริวิสานะ่ะเป็นลูกเศรษฐีฝ่าเท้ามีอะไรพิเศษมีขนอ่อนสีงามเป็นพิเศษประเจ้า ผีปีสาจก็อยากซอดมผนีตก็จะเรียกจะส่งทูดไปเรียกตัวบอกขอดูเท้าหน่อยก็น่าเกลียดก็เลยทําอุบายว่าประชุมพวกมานกเพื่อปรึกษาการบางอย่างแล้วก็ส่งทูดไปบอกให้มาประชุมกันที่พระราชวังแล้วก็สำทับว่าโตนาโกริสระต้องมาด้วยมาแล้วก็ทําเป็นทีว่า เลยขอถือโอกาสดูฝ่าเท้าหรือข้างฝ่ายแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเวลาลูกไปเนี่ยยังไงพระเจ้าบุญยินก็ต้องทอพระเนธเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องที่เป็นคนประหลาดที่ใครก็อยากดูต้องอยากดูเพราะนั้นเวลาลูกไปนั่งในท้องพระโรงใน ย, ยานั่งเหยียดเท้านั่งในลักษณ ะ, ะขัดสมาธิชั้นไม่ไม่ขึ้นชั้นเน่ย ขาสมารถไม่มีชั้น